เมื่อปีที่แล้ว1ธันวาคมธรรมยตราได้เริ่มประเดิมเป็นวันแรกนะที่นี่นะวัดภูเขาทองปีที่แล้วนี่เราก็มีการทำบุญนะต่ออายุลำปาเทาวปีนี้ธรรมยตรา ก็มาเริ่มต้นที่วัดภูเาทองเช่นเคยเหมือนปีที่แล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ทำบุญต่ออายุลำประทาวเหมือนปีที่แล้วลนะปีนี้เรามาทำบุญเรื่องในโอกาสครบร้อยวันที่หลวงพ่อของเราได้ละสังขารไปเราก็มีการทำบุญตามประเพณี แต่ว่าทำบุญเที่ยวนี้นี่เราไม่ได้ทำบุญเพื่ออุทิศให้หลวงพ่อนะเพราะว่าหลวงพ่อนี่ท่านไม่ได้ต้องการบุญแล้วนะคนที่ต้องการบุญก็คือพวกเรานั่นแหละเรายังต้องทำบุญกันเรื่อยไปนะจนกว่าจะพ้นทุกข์หลวงพ่อท่านไปดีแล้วนะเรียกว่าไปสมชื่อ ของวัดที่ท่านได้บุกเบิกเอาไว้นะวัดป่าสุกโตสุก โ, โตแปลว่าไปด้วยดีแล้วที่ยังไปไม่ได้ดีนะคือพวกเรานั่นแหละนะยังสุกสุ ท, ก ท, ก ท, กทุกทุกตอนที่หลวงพ่อป่วยเมื่อแปปีที่แล้วนั่นนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา ลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมก็ไปเยี่ยมข้างเตียงหลวงพ่อไม่ได้ก็อยู่ข้างนอกมองมาที่มองหลวงพ่อทางหน้าต่างบางคนก็ร้องไห้หลวงพ่อก็พูดกับลูกศิษย์ว่านะ้าพูดกับลูกศิษย์ที่ดูแลท่านนะอาจารย์ทงชิดนวันนี้ดูโน่นคนป่วย ท่านชี้ไปที่ลูกศิลูกหาที่กำลังร้องห่มร้องไห้นะท่านบอกเนี่ยดูสิคนป่วยนะแต่เราไม่ป่วยนะท่านป่วยกายก็จริงแต่ว่าใจท่านไม่ป่วยนะท่านอยากให้พวกเรานี่เป็นห่วงตัวเองอย่ามาห่วงหลวงพ่อก็เหมือนกันวันนี้น ะ, ะแทนที่เราจะ ทำบุญให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านถ้าท่านมีญาณวิถีก็คงจะบอกเราว่าทำบุญพวาเราทำบุญให้ตัวเองดีกว่านะเพราะว่าพวกเรายังต้องการบุญเพื่อนุนส่งให้ชีวิตจิตใจเจริญก้าวหน้าพ้นจากความทุกข์วันนี้เรามาทำบุญให้กับตัวเราเองนะ ด้วยการบูชาคุณของหลวงพ่อการบูชานี่ทําได้2 อ, อย่างนะบูชาด้วยอามิตรเรียกว่าอามิตรสบูชาบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนบูชาด้วยอาหารนะบูชาอีกอย่างที่ประเสริฐกว่าก็คือปฏิบัติบูบชานะ <c oughs> การบูชาด้วยอาบิก็ได้บุญนะได้บุญกับตัวเราเองแต่ว่าบุญนั้นไม่ประเสริฐเท่ากับการที่เราบำเพ็ญปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาคือว่าทําตามคําสอนของหลวงพ่อทําตามธรรมะที่ท่านแนะนําสั่งสอนนะ ว่าเราทำเช่นนี้นะบุญก็จะเกิดขึ้นกับเราเป็นทวีตรีภูนะยิ่งกว่าอมิสบูชาวันนี้เนี่ยพวกลูกศิล์ลูกหาก็จะเริ่มเดินธรรมยตตาประเดิมกันที่วัดภูเขาทองนี่แหละอันนี้ก็เป็นปฏิบัติบูบชาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ เพราะว่าเป็นการเดินตามรอยที่หลวงพ่อได้ได้ทำเอาไว้นะหลวงพ่อท่านได้อุทิศชีวิตนะเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหลวงพ่อท่านบอกว่าิ่งหนึ่งของหลวงพ่อเนี่ยคือการอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะว่าตอนนี้ธรรมชาตินี่กำลังเสื่อมโทรมเราต้องช่วยกัน และหลวงพ่อท่านก็เป็นกำลังหนึ่งที่สำคัญอีกเสียกหนึ่งของหลวงพ่อคือการสอนกรรมฐานพวกเราก็สามารถจะเจริญรอยตามหลวงพ่อได้นะก็คือการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติส่วนเรื่องกรรมฐานนั้นบางคนอาจจะบอกว่ายังสอนกรรมฐานไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีคุณวิเศษหรือว่าความสามารถเหมือนหลวงพ่อ แต่เราก็สามารถจะทำอีกอย่างได้คือว่าไม่ได้สอนกรรมฐานแต่ว่าทำกรรมฐานให้กับตัวเองนะก็คือปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะก่อนที่จะไปสอนไทยนะเราต้องทำให้เกิดมีขึ้นกับตัวเราเองก่อนก่อนที่จะไปพาคนให้รู้จักส ต, ติมีสมาธิมีปัญญาเราก็ต้องสร้าง สติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเกิดขึ้นกับเราก่อนอถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเราได้เจริญรอยตามหลวงพ่อเราได้บำเพ็ญปฏิบัติบูบชาถวายให้กับหลวงพ่อแล้วที่จริงนอกจากการ รักษาธรรมชาติและการทำกรรมฐานแล้วนะหลวงพ่อท่านยังมีอีกมุมหนึ่งน ะ, ะคงไม่เรียกว่าซีกนะเพราะท่านมีสองสีกอย่างที่บอกเวลาแต่อีกมุมนึงก็คือการช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือชุมชนพัฒนาชุมชนให้มีความสุขความเจริญมีความสันติสุขนะ พวกเราชาวรรำอัไฟหวานนี่ได้รับอนิสง์จากหลวงพ่อด้านนี้โดยตรงเลยนะพาะหลวงพ่อท่านได้มาช่วยพัฒนาวางรากฐานให้กับบ้านธรรมบไฟบ้านถา้ำมัไฟหวานมาตั้งแต่ยังไม่มีที่พึ่งยังเป็นดงเลือดอยู่ ยังเต็มไปด้วยอบายมุกแล้วก็การเบียดเบียนกันนะผู้คนห่างกลาจากศิลธรรมหลวงพ่อก็สามารถที่จะชักชวนให้ชาวบ้านนี่หันมาละเลิอกอบายมุกแล้วช่วยกันนำศิลธรรมให้กลับคืนมาจนกระทั่งบ้านทํามอภัยหวานก็จเจริญจนเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นตำบลนะ อันนี้เมื่อเราจะมาทำบุญเรื่องในโอกาสที่หลวงพอ่อได้ละสังขารไปครบร้อวันและต่อไปก็จะมาทำบุญครบ1ปีและต่อไปก็จะทำบุญครบ2ปี3ปีหรือว่า10ปีสิ่งที่เราลืมไม่ได้คือว่าการบำเพ็ญปฏบิบัติบูชาทำตาม คำแนะนำสั่งสอนของท่านดำเนินรอยตามอย่างที่ท่านได้ทำให้อยู่าทาให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นให้เราได้สัมผัสมาโดยตลอดนั่นก็คือช่วยกัน ร, รักษาธรรมชาติลำพ้ยลำธารพื้นดินป่าไม้ ถึงแม้ว่าบ้านเราะจะไม่มีป่าไมนะ้หลงเหลือแล้ว น, ะนอกจากป่าในวัดแต่ว่าพวกเราหลายคนก็ไปทำไรนะ่พวกเราหลายคนก็ได้ไปทำไร่อยู่ในป่านะแถวคูสามชั้นนะแถวคูทีก็มีกันเยอะนะตรงนั้นแหละที่เราก็ช่วยกันรักษาป่าได้ นอกจากช่วยกันรักษาป่ารักษ า, ษาธรรมชาติไม่ให้เสืส่อมทรมแล้วก็ต้องช่วยรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ด้วยหลวงพ่อทัานสองวันเล่าวันเล่าปีเล่าปีเล่านะเพื่อนะให้เรารูนะ้จักรักษาใจาไม่ให้ทุกข์ให้มีสติดีความรู้สึกตัวไอ้ความรู้สึกตัวนี่แหละนะจะช่วยให้ใจเนะี่ย มันสลัดความทุกข์ออกไปจะมีแต่ความทุกข์กายนะซึ่งเป็นธรรมดาธรรมชาติของสังขารแต่ว่าใจไม่ทุกข์ให้ความรู้สุดตัวนะ่แหละนะเป็นเหมือนแสงสว่างเพื่อที่เราจะได้จัดการนะกับกิเลสที่มันคอยซุกซ่อนอยู่ในมุมมืด มันเล่นงานเราได้เพราะตาแบบทิตใจเรายัางมืดแต่พอใจววเราสว่างพ่อมีความรู้สุดตัวตพ่อมีปัญญากิเลสมันก็มันเล่นงานเราได้ยากความทุกข์จะมาครอบนาจิตใจเราก็ยากหลวงพ่อท่านไม่มีมรดกอะไรนะจะให้กับพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมที่จริงก็มีอยู่บ้างนะก็คือวัดนี่แหละนะวัดภูเขาทองวัดป่าสุกโตก็มีอาธรรมีสถานที่ที่เกื้อกูลสับปะยะสำหรับการปฏิบัตินั่นเป็นมรดกอย่างหนึ่งที่เราต้องรักษาดูแลแล้วก็ทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ญาติโยมก็ต้องมาช่วยกันดูแลวระภูเขาทองแล้วก็วัดป่าสุขโตรวมไปถึงวัดป่ามหาวันแต่ว่ามรดกที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือคำสอนของหลวงพ่อที่ได้พูดได้ทำแล้วก็ได้เป็นให้เราดูอยู่ให้เราเห็นาจะมาทำบุญทั้งทีนะ บุญมันจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆนะก็จากการปฏิบัติจากการที่เรารักษามราดกของหลวงพ่อเอาไว้ว่าปกะกาบทองอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้แต่ว่ามราดกที่เป็นธรรมะของหลวงพ่อนี้เราสามารถที่จะน้อมเข้ามาใส่ใจอัญเชิญมาให้สถิตอยู่ในหัวใจของเรา ให้หัวใจของเราเต็มเ่ยมไปด้วยความรู้สึกตัวเต็มเตี่ยมด้วยสติมีปัญญาและสิ่งนี้สำคัญมากเพราะจะช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้พราเราเป็นศิษย์มีครูนะศิษย์มีครูเนี่ย ก็ต้องบันสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นแล้วความรู้สึกตัวนี้ก็ชักชวนก็จะชักชวนธรรมะอื่นๆตามมาด้วยจะชักชวนเมตาตากรุณาสมาธิขันติวิริยะและปัญญาให้มา รักษาใจให้สงบให้เป็นสุขแล้วก็ขับไล่ความทุกข์ออกไปถ้าเราทำได้แบบนี้นะควบคู่ไปกับการช่วยกันรักษาธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันพัฒนาชุมชนของเราให้มีความเจริญก็ถือว่าก็เป็นสิทธิ์ที่ดีเป็นสิทธิ์ที่แท้ ของหลวงพ่อหรือหลวงปู่ของเราแต่ถ้าว่าเราไม่ทำนะไม่เอาใจใส่นิ่งดูได้หรือว่าประมาท ก, ก็ถือว่าเราเสียชาติเกิดเหมือนกันนะเกิดมาทันทีเกิดมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อ เกิดมาเป็นลูกพระพุทธเจ้านับถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะนะมันต้องได้ธรรมะมารักษาใจเรามาทำบุญเรามานับถือพุทธศาสนาไม่ใช่เพราะหวังรวยไม่ใช่เพราะหวังความมั่งมีมีทรัพย์มีอานาจนะอันนั้นมันไม่ใช่ สิ่งที่จะให้ความสุขที่แท้กับเราความสุขที่แท้เกิดขึ้นได้จากธรรมะที่เราน้อมนำเข้ามาเป็นเนื้อเป็นตัวของเราทั้งกายทั้งวาจาและกัจจัยเมื่อใจได้พบความสุขชีวิตมีความเจริญโดยธรรมะ แล้วก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเราก็เดินหน้าต่อไปด้วยการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นรับผิดชอบชุมชนรับผิดชอบหมู่บ้านให้มีความสุขมีความสงบเย็นไม่ต้องร่ำรวยมากก็ได้แค่อยู่พอเพียงแต่รักกันมีสันติสุขภายใน มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ได้สมดุลมีน้ำสะอาดมีลำห้วยแที่ใสสะอาดมีอากาศบริสุทธิ์มีปัจจัยสี่เท่านี้เนี่ยก็สามารถจะมีชีวิตที่ผาสุดได้ ถ้าเราทำ น, นี้ก็ถือว่าเราได้รักษามรดกทองหลวงพ่อเอาไว้แล้วก็เราได้ทําสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ที่รู้จักบูชาบุคคลที่ควรบูชาอันนี้ถือว่าได้สร้างมงคลอันยิ่งใหญ่เรียกว่าอุดมมงคลนะ บูชาแต่บูชนิยานังการ บ, บูชาบุคคลที่คนบูชาไม่ได้บูชาโดยอามิงนั้นแต่บูชาด้วยการปฏิบัติอย่างที่คณะธรรมญาตาก็กำลังจะได้ทำใ น, ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วก็ขอเชิญชวนนะพวกเราชาวบ้านท้ามาไฟวางก็ร่วมเดินกับพวกเรา นะหรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็ส่งใจไปและดีกว่านะ้ือว่าได้ปฏิบัตินะทำที่บ้านของตัวทำทุกเวลาทั้งรักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วก็รักษาธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรมแล้วก็พอสมควรแล้วนะก็ข อ, อนนโมทนาชาวบ้านท้ามาไฟหวานแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงลงท่งาง ญาติธรรมจากหลายแห่งที่ได้มาช่วยกันไม่เพียงแต่มาทำบุญในวันนี้นะแต่ว่ายังมาช่วยอุดหนุนคณะธรรมญาติการุปธ ร, รมให้พวกเราสามารถที่จะทำภารกิจที่เรียกว่าบูชาครูตอบแทนคุณซึ่งเป็นหัวใจของธรรมญาติการในปีนี้ก็ขอทุกท่านได้มีความสุขนะครับ มีธรรมะรักษาใจให้ปอกค้นจากความทุกข์ให้เข้าสิงความสุขเสษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้ยกันทุกคนเทอมจากนั้นก็เตรียมรับพรยะถาวริวหาปูราปริภูเรนติสาธรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะเปติ สิตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชาตุสัพเพูเรนตุสังกัปปจันโทปันารโสยะถามณีโชทีรโสยะถา กุสานมังกร สังขายโยนิโสปิฎกปาดังปะฏิเสวามีเหวะทวายยานามขายานามันนายานสนาญาญาวาเทวหิมัสกาญาสาธิติญาญาปนาญาวิอิสุบรัติญามะจริญาลุคหายาจีริปุานาจเวทนังปะฏิหัมนิวันจเวทนังโนกาเทสานิ ยา a ระตะเมภวิสติยนาวาจตัตพาสุวิจ